الذين إممكناهم الأرض أقام الصلاة الزكاة أقام الصلاة الزكاة بالمعروف المنكر في ونهوا وآتهم وآتهم وأمروا عاقبت บรรดาผู้ที่เราให้พวกเขามีอานาจในแผ่นดินคือบรรดาผู้ที่ปฏิบัติละหมาด และบริจาคสกาัดและใช้กันในการกระทำความดีแล่ปราบกันให้ละเว้นความชั่วและบั้นปลายของกิจการทั้งหลายนั้นย่อมกลับไปหาอัลลอสุบ ب า ا ن ะอาวะดาล่าและพวกเขาพวกปฏิเสธชาวมักกะปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังเจ้า แท้จริงกลุ่มชนของนัวและอาจดและสมูธได้เคยปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟังนบีของพวกเขามาก่อนแล้วและกลุ่มชนของอิบราฮีมและกลุ่มชนของลูตและกลุ่มชนของอิบรฮมและกลุ่มชนของลูตลเดีนดิบมูซาฝมลัยตุลลคาฟรีนทัมงนักอาะควกนมกนกกีด และชาวมัดยันและมูซาก็ได้ถูกปฏิเสธไม่ยอมเชื่อฟ <istles> ังเช่นกันแต่เราได้ประวิงเวลาให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธาและเราก็ได้ลงโทษพวกเขาแล้วเป็นเช่นใดเล่าการลงโทษของเรอิินนมลววา ฉะนั้นกี่ตำบลมาแล้วที่เราได้ทำลายมันโดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาจทำและมันได้พังภาพลงมาและกี่บ่อ น, น้ำแล้วที่ใช้การไม่ได้และกี่ปราสาทสูงที่มั่นคง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 เพราะแท้จริงการมองของต่า น, นั้นไม่ได้อบอดดอกแต่ถ้าว่าหัวใจที่อยู่ในสวงออกต่งหากและที่บอดและพวกเขาได้เรื่องเราให้มีการลงโทษ แต่ว่าล้อนั้นจะไม่ทรงผิดสัญญาของพระองค์เป็นอันขะและแท้จริงวันหนึ่งณนะพระผู้อภิบาลของเจ้านั้นเท่ากับหนึ่งพันปีตามที่พวกเจ้าคำนวณนับและกี่ตำบลมาแล้วเราได้ประวิงเวลาการลงโทษมัน โดยที่ชาวเมืองนั้นเป็นผู้อาธรรมแล้วเราได้ลงโทษทำลายมันและยังเรานั้นคือการกลับไปไ uh um จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโอมนุษย์เอย๋ยแท้จริงฉันนั้นคือผู้ตักเตือนอันชัดแจ้งแก่พวกเจ้าเท่านั้น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 และบรรดาผู้ที่เพียรพยายามอย่างผู้ไร้ความสามารถเพื่อลบร้างองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นคือชาวนารก และเราไม่ได้ส่งรอซูลท่านใดและนบีท่านใดมาก่อนหน้าพวกเจ้าเว้นแต่เมื่อเขาหวังว่าชัยตอนจะเข้ามายุแย่ให้หันเหออกจากความหวังของเขาแต่เราก็ส่งทำลายล้างสิ่งที่ชัยตอนอยุแย่แล้วเราก็ส่งทำให้องค์การทั้งหลายของพระองค์ มั่นคงและลเรส่งรอบรู้ส่งปริชายญเพื่อพระองค์จะทรงทำให้สิ่งที่ชวยตอนอยุยกเป็นการทด ส, สอบสำหรับบรรดาพูดที่ในจิตใจของพวกเขามีโรค และจิตใจของพวกเขาแข็งกระดา้างและแท้จริงบรรดาผู้รมนั้นอยู่ในการแตกแยกที่ห่างไกล。<S <S และเพื่อบัรดาผู้รู้จะตรหนักว่าแท้จริงอัลกุรอานนั้นคือศัจธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลของเจ้าเพื่อพวกเขาจะได้ศรัทธาต่อมันแล้วจิตใจของพวกเขาจะได้นอบน้อมต่อมันและแท้จริงอัลลอ์นั้นเป็นผู้ส่งชี้แนะบรรดาผู้ศรัทธาสู่แนวทางที่เที่ยงตรงล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 ال อำนาจในวันนั้นเป็นของอัลลอฮพระองค์ทรงตัดสินระหว่างพวกเขาดังนั้นบรรดาผู้สัทธาและกระทาความดีทั้งหลายนั้นจะอยู่ในสวนสวรรค์แห่งความโปรดปรานของพระองค์ ส่วนบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ไม่เชื่อฟังองค์การทั้งหลายของเรานั้นชนเหล่านั้นพวกเขาจะได้รับการลงโทษอย่างอัปยศ และบรรดาผู้อพยพในทางของอัลลอฮ์และพวกเขาถูกฆ่าหรือตายแน่นอนอัลลอฮ์จะทรงประธานปัจจัยอย่างชีพที่ดีให้แก่พวกเขาและแท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ที่ดีเลิศแห่งผู้ประธานปัจจัยอย่างชีฟพระองค์จะทรงให้พวกเขาเข้าไปในสถานที่ที่พวกเขาพอใจคือสวนสวรรค์ และแท้จริงอัลละ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ผู้ทรงคันติฉะ น, นั้นแหละผู้ใดโต้ตอบเยี่ยงที่พวกเขาถูกรังแกแล้วเขาก็ยังถูกข่มเหงอีกอลัลลอฮ์จะทรงช่วยเหลือเขาอย่างแน่นอน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 และแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นเ้วย น, นั้นอัลลอฮ์ผู้เคือผู้ทรงสัจจะและแท้จริงสิ่งที่พวกเขาวิงวอนขออื่นจากพระองค์นั้นเป็นเท็จและแท้จริงอัลลอฮ์คือผู้ทรงสูงสง่งผู้ทรงยิ่งใหญ่ ألم ت ر أن اللهنزل من السماء ما فتصبح الأرض مخضره إن الله لطيف خبير มุฮ <re <fer> ัม <red> มัดไม่ได้พิจารณาดอกหรือว่าแท้จริงอัลล์นั้นส่งให้น้ำหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วแผ่นดินก็กลายเป็นสีเขียวชอุ่ม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 ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض و ا ل ف ل ك َ تجري والفلكة تجري في البحر بأمره ويمسك السماء تقع على الأرض ويمسك السماء تقع على الأرض إلا بإذنه. อินฮ e เจ้า ม, มูฮัมหมัดม่ได้พิจารณาดอกดรือ ว, ว่าแท้จริงอลัลลอฮ์นั้นทรงอํานวยความสะดวกให้แก่พวกเจ้าในแผ่นดินและเรือแล่นไปในท้องทะเลโดยบัญชาของพระองค์และทรงยึดชั้นฟ้าเมฆ ต, ตกลงมาบนแผ่นดินเว้นแต่โดยอนุมัติของพระองค์แท้จริงอลัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอ่อนโยนผู้ทรงเมตตาต่อมวลหมู่มนุษยชาติเสมอ และพระองค์คือผู้ทรงให้พวกเจ้าเป็นและทรงให้พวกเจ้าตายหลังจากนั้นก็ทรงให้พวกเจ้านั้นเป็นขึ้นมาอีกถ้าจริงมนุษย์นั้น ช่าสำหรับทุกๆประชาชาติเราได้กำหนดพิธีทางศาสนาขึ้นโดยที่พวกเขาปฏิบัติตามพิธีนั้น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 ัลล a h จะทรงตัดสินระหว่างพวกเจ้าในวันกิยามะในสิ่งที่พวกเจ้าได้ขัดแย้งกันอาลัมตั๋ลัมอัน Allah ย่อมรู้ว่าในสวมาค์และโลกนั่นคือัมภีร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 และพวกเขาเครบสการะสิ่งอื่นจาก a ลล a h ซึ่งพร่งไม่ได้ประทานลงมาให้เป็นหลักฐานและสหรับพวกเขาไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้และสหรับพวกอาธรรมนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือได้้ไดุมบฟจๆ ยและเมื่อองค์การทั้งหลายอันชัดแจ้งของเรานั้นได้ถูกนำมาอ่านแก่พวกเขา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 يا أيها الناس ضرب م ث ل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله ليخلقوا ذ ب ا ب ا ولا و ج ت م ع و ا له و إ ن يسلبهم ا ل ذ ب ا ب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب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 พวกมันก็ไม่สามารถจะเอามันกลับค้นมาได้จากมาแรงวันทั้งผู้ขอและผู้ถูกขอช่างอ่อนแอแท้ๆพวกก็ไม่ได้ให้เกียรติอัลลอฮ์ตามที่ควรจะให้เกียรติตอ่อพระองค์ แท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงพลังผู้ทรงเดชาหนุภาพอัลลอฮยต์ฟีมินอัลมเลที่รุสูล้วว่ามินัลนาสอินนัลลอฮสมุบัศีรอัลลอ์ทรงคัดเลือกบรรดาทูตจากหมู่มาลิกาและจากหมู่มนุษย์แท้จริงอลัลลอฮ์เป็นผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นยอ้อแลลมุมาเบยนไอดีฮิมว่ามาขัลฟะหุม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 จงรู้กัวจงสุยุดและจงเคารพภักดีต่อพระผู้อิบาลของพวกเจ้าเถิดและจงกระทำความดีหวังว่าพวกเจ้าจะได้รับชัยชนะอร هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. น, าานและจงต่อสู้เพื่อรออย่างแท้จริงพระอ ง, งค์ทรงคัดเลือกพวกเจ้าและพระองค์ไม่ได้ทรงทําให้เกิดความลําบากแก่พวกเจ้าในเรื่องศาสนาคือศาสนาของอิบราฮีมซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเจ้าพระองค์ทรงเรียกชื่อของพวกเจ้าว่ามุสลิมไว้ในคมภีร์ก่อนๆและในคัำพีนี้